ธรรมบทแปลเรื่องพระสารีบุตรเถระภาคที่8เรื่องที่272พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นพระเจตวันทรงปราบพระสาริบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานิว่ายํำหาธรร ม, มังวิชาเนยะแปลว่าบุคคลบึงรู้แจ้งธรรมะ จากอาจารย์ใดเป็นต้นตอนพระสารีบุตรเคารพในพระอัจสชิผู้อาจารย์ได้ยินว่าท่านพระสารีบุตรนั้นตั้งแต่ท่านได้ฟังธรรมจากพระอัจสชิเถระบัลลุโสดาปฏิปนแล้วเมื่อทราบว่าพระอัจสชิเถระพักอยู่ที่ใดก็จะ ประคองอัญชลีนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นเสมอภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวขึ้นว่าพระสาริบุตเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงวันนี้ก็ยังคงไหวทิศทั้งหลายอยู่ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระา ศ, าศาสดาทรงทราบพระาศาสดารับสั่งให้เรียกพระสาริบุตเทระมาแล้วราตามว่า สาริบุตรข้าวว่าเธอยังไหว้ทิศอยู่จริงหรือพระสาริบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เองย่อมทราบว่าข้าพระองค์ไหวทิศหรือไม่ไหว้ทิศพระศาสดาพิษุตรงหลายสาริบุตรไม่ได้ไหว้ทิศแต่เพราะเธอฟังธรรมจากพระอสัชิเตระและบุลสดาปฏิผล จึงนอบน้อมอาจารย์ของตนเพราะว่าภิกษุอาศัยอาจารย์ใดได้รู้ธรรมะภิกษุนั้นพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟอยู่ฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจะได้ตรัสพระกาถานี้ว่าบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว จากอาจารย์ใดปึ่งนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมการบูชาไฟฉะนั้นบาลีว่าย้ำหาธรรมังวิชาเนยะสัมมาสัมพุทธเทสิตังส ก, กัดจังนังนะมัสสยะอาคิหุตตังวะปรามโมก็ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าอะคิหุดตังวะแปลว่าเหมือนการนอบน้อมบูชาไฟฉะนั้นหมายความว่าบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมะอันพระตถาคตประกาศแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาไฟโดยเคารพโดยการปฏิบัติด้วยดี และด้วยการกราบไหว้เป็นต้นฉะนั้นในเวลาจบเทศนาคนจานวนมากได้บรรลุโสดาปฏิบัติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระสารีบุตรเทระ